แบบของการสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมแบบให้มีความรู้สึกไปพ ร, ร้อมๆกันากายเราก็มีลักษณะพลิกมือพื่อมือยกมือให้มันลู่จะไปลู่ตนอื่นให้มันลู่ไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันเป็นระเบียบจะพูดเรื่องเฉพาะเราวเรามาหัดตรงนี้กันไม่ยากเงือไม่ไหลหรอก หอายควานก็เราทำไรทำนาทำงานการอื่นอื่นแต่ว่าการเจริญสตินี่เป็นของง่ายๆเป็นของเบาๆอย่าไปทุ่มเทอย่าไปเพ่งเครียดใจร้อนใจดีๆเอาไว้ก่อนหายใจล่งๆเอาไว้เราก็ต้งองสติเอาไว้กับกายเคลื่อนไหวไปมา บางทีมันอาจจะไม่มีสติมันอา จ, จะหลงคิดมันอา จ, จะง่วงนอนอา จ, จะปวดขาปวดหลังปวดเอวอันนั้นก็มันมาบอกให้เราค่อยมันบอกให้เรารู้ว่ามันคืออะไรความวม่วงก็บอกว่านี่คือความวม่วงความคิดมันก็บอกว่านี่ความคิดมันไม่ใช่สติ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 มันเป็นของสาคนมันไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นความหนาวก็ต้องห่มผ้าความร้อนก็ต้องอาบน้ำอันหิวก็ต้องกินข้าวอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างอยู่นี่อันเดียวเท่านั้นเปลี่ยนไปแต่พืชพืชเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแต่พืชพืชให้มันตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้อย่างเนี้ย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 ถ้าเธอมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ทางนี้เที่ยวทางตรงนี้เดินตรงนี้หมัอนกับทางที่เราเดินจงกลมี่แรกก็ไม่มีทางแต่เราเหยียบไปเก้าสองเก้าลอยเท่าของเราที่เหยียบไปเหยียบมากลับไปกลับมามันก็กลายเป็นทางโล่งเตียนแสดงถึงเป็นหนทางแล้วการก้าไปก็สะดวก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 ลำดับลำน ำ, ำให้มันได้ทางเสียก่อนเอากายเป็นนิมิตไปก่อนอากายก็ออกมาเป็นวัตถุออกมาเป็นรูปแบบออกมาเป็นจังหวะหมันตามทางไปเสียก่อนสิบสี่จังหวะตามไปสิบสี่ทางอัดทีแรกก็ลำดับลำน ำ, ำ, ำสักหน่อยต่อไปต่อไปมันก็ง่ายหรอกอาจจะไม่เป็นจังหวะก็ได้ต่อไปนะเป็นตัวลู่ทั้งหมดแล้วชีวิตเรา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 สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นอาศัยคำพูดคาบรรยายไม่ได้ตัวของเราเองจะเป็นปัจจัตตังลู้เอาเองว่าแต่เราสร้างความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวได้แล้วเริ่มต้นได้แล้วจับหลักได้แล้วเรล่องไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันหลง มันไม่เอาความหลงภาษาอะไรความโกรธความทุกข์ความไปตกกังวลความเศร้าหมองมันหยาบคลายไม่ต้องไปอดไปทนถ้ามีความรู้สึกตัวดีแล้วนะมันก็หมดไปเองนะกับความมืดที่อยู่ในรอบตัวเราพอมีแสงสว่างความมืดมันก็หมดไปเองชีวิตของเราทั้งหมดมีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้น จะมีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีถ้าไม่มีตัวหลงเราความวิตกกังวลสมองความโรคความโกรธมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้นตอของอากุกลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงตอ น, นเรามาจัดสรรชีวิตของเราให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องไม่ไปต้องไม่ต้องไปทำอะไรหลายอย่างมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัว วัสดุอปกรณ์ก็มีเ อ, อมามอผิดออกมาผิดออกมาผิดออกมออกอันเกิดความรู้จักตัวต่อต่อกันไปต่อต่ อ, ต อ, ตอกันไปยาวไปมากไม่ยากแต่บางค น, นไปคิดเป็นเรื่องยากก็จะสร้างสติก็เอาเก่งเอาจังะจะเอาให้ได้เพ่งเข้าไปแล้วก็กลายเป็นความเครียดกลายเป็นความเบื่อกลายเป็นการเข็ดหลับไปเลย ไม่ใช่ไปจริงจังอะไรรูบเบาเรูบเบาเบารูซื่อซื่อไม่ต้องไปใช่สมองใช่เหตุใช่ผลวัตถุที่ทําให้เกิดความรู้ก็มีอยู่ทำเบาเบารูเบาเบาร้ามันแม่นแม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วอย่าไปหาคําตอบว่าฉันรู้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอย่าเพิ่งตอบว่าผิดว่าถูกเอาทิ้งไปเลยอยันความผิดความถูกความได้ความเสีย เอาทท่งไปเลยเท่งแต่เราลู่สึกตัวลู่สึกตัวมันผิดก็ลู่สึกตัวเนี่ยมันถูกก็ลู่สึกตัวเนี่ยมันสุขก็ลู่สึกตัวเนี่ยมันทุกข์ก็ลู่สึกตัวเนี่ยมันเกิดอะไรก็ลู่สึกตัวเนี่ยลู่สึกตัวลู่สึกตัวไปความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นตัวเฉลยมันจะเป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผล มเหนือเหตุหนะผลความรู้สึกตัวเหตุผลยังไม่ใช่สัจธรรมหรอกผมรู้สึกตัวรู้สึกตัวอาจจะรู้ไม่เก่งที่แล้วอาจจะเครึ่งรู้เครื่องหลงมาช่างมมันหลงไปบ้างกลับมาลูหลงไปบ้างกลับมาลูมันจะเก่งตอนที่เรากลับมาลูที่แหละไม่ได้เก่งตอนที่เรานั่งนานๆเราเดินนา น, านๆเราไม่หลับไม่นอนนั้นไม่ใช่อาจะเก่งต่อเมื่อเรา กลับมารู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวจะนั่งจะนอนจะยืนเดินได้ก็ได้ไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเราไม่ความรู้สึกตัวนะเมื่อมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอย่างนี้นั้งดเลยเนะี่ยเอามาตัวเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติก็คือการกลับมาปฏิคือกลับมาตั้งไว้เห็นเราไม่สติตั้งไว้ที่กายของเรา มันากจะหลงไปทางอื่นก็กลับมาตั้งไว้เมันหลงไป ก, ก็กลับมาตั้งไว้เองถ้ากะได้กลับมาหลายเที่ยวหลายครั้งหลายหนมันจะเอียงมาทางนี้ง่ายที่จะไม่หลงในแรกง่ายที่จะหลงเรากลับมา บ, บ่อยๆกลับมา บ, บ่อยๆมันก็ง่ายที่จะไม่หลงมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมชาติของกฎธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกตัวความหลงตัวนั้น มันอยู่กับการกระทำของเราอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้มันอยู่กับความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเอาไว้ในทีที่เราปฏิบัตินจึงมีความมั่นใจมากๆถ้ายกมือเป็นรู้สึกตัวเป็นนั่นแหละเป็นอรดกเป็นสมบัติของเราแล้วมีมือสองมือมีแขนสองแขนน่ เอามาวางไว้บนเขา่าก็ไม่เขา่าพลิกมือขึ้นข้างขวาข้างซ้ายรู้ได้ทุกคนรู้ได้ทุกคนงั้นมันไม่รู้ก็พยายามให้มันรู้เพี้ยนตรงนี้เพียนรู้ขยันรู้เรียวกว่าความเพี้ยนการขยันรู้เรียกว่าภาวนาภาษาภาษาวัดวัดเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือขยันรู้ แล้วมันก็ขยันได้สิบสจังหวะคือความขยันที่ชอบทมในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติส4บสจังหวะพอดีพอ ด, พอดีกับจังหวะที่ลู้พอดีการยกมือแต่ละครั้งไม่ไวไม่ช้าพอดีพอดีเป็นลำดับลำนำจังหวะพอดีวักพอดีลู้เอาลู้เอามันมีความพอดีกับส4บสจังหวะกับก้าวเดิน ความรูส้สึกตัวกับการก้าวแต่ละก้าวพอดีพอดีไม่ทําให้เนิ่นช้าไม่ทําให้ที่จนเกินไปลักษณะของการเดินแต่ละชีวิตอาจจะห่างทีต่างกันคนหนุ่มหนุ่มอาจจะแข็งแกร่งอาจจะเดินชึบชึบไดีสําหรับคนแก่อาจจะเดินชั บ, ช, บ, บ, จจ ช, บชับตามกับหลังความถ่วงตัวก็เอาไปตามจังหวะของความ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 อาจจะใช่ในตอนที่มันคิดเพิ่ขวัญไปทางอื่นแเรียกกลับมาให้มันทุ่มน้ำหนักลงไปให้มันได้รู้สึกตัวปลุกให้มันรู้สึกตัวการเดินก็เหมือนกันทีมันก็เดินช้าๆก็ได้เพราะมันรู้สึกตัวดีบางทีมันเรื่อนๆรือนลังๆก็จับเข้าไปจับเข้าไปแบบตบเท่าเข้าไปอย่าแบบเนิบเนน แบบตกเท่าเข้าไปชกฉเข้าไปใส่ใจลงไปใส่สติลงไปใส่ความเพียรลงไปมีศรัทธาลงไปมีความอดทนลงไปหลายลายอย่างเสริมกาลังเข้าไปเสริมกำลังเข้าไ ป, าไปอย่าเดียวดายการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เราเอาเยี่ยงอย่างกันอย่างน้อยเราก็คิดคิดถึงพระพุทธเจ้า ภาษาจาราของเราพระองค์ก็ทําอย่างนี้อย่างน้อยก็เหล่าภาษาพวกพระหันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกก็เพราะทําอย่างนี้เวลานี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์มีผู้มาพูดให้ได้ยินกับหูเรามีผู้มาบอกให้เราก็เห็นท่านบอกท่านสอนยกมือให้เราดูเดินพาเราเดินให้เราดูอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนใกล้เคียงที่อยู่ที่นี่หลายชีวิต เราไม่เดียวได้หลายอย่างแล้วเราก็มีศรัทธาว่ามีจริงพระพรุ Exchange, พะทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบาปบุญมีจริงแล้วเราก็สัมผัสดูวความรู้สึกตัวก็มีจริงๆสัมผัสดูกับความหลงก็มีจริงจริงความหลงกับความรู้ก็ต่างกันจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนได้จริงๆแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นธรรมจริงๆ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 ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันอย่ามาเอาความหนุ่มความสาวอย่ามาเอาความแก่ความเท่ามาอวดมาอ้างอย่ามาเอาเหตุปธินิกายมาอ้างโอ้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อ ก, ก็ทำได้โอกขอันเป็นพระว่าเจ้าโจมพวกขังก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เด็ดขาดไม่ถูกเด็ดขาดเป็นการกล่าวตู่พระธรรม เราความรู้สึกตัวนอยู่กับพระก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับครวญญาณยมก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนหนุ่มก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนแก่ก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับเพศหญิงเพศชายก็คือความรู้สึกตัวเหมือนกันนั่งอยู่ในวัดคือความรู้สึกตัวเดินอยู่บนถนนบนทางไม่ถ้ามีความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวถ้าเราทุกคนมีความรู้สึกตัวเราก็เป็นคนคนเดียวกัน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 การเวลากิจการงานแบบนี้เพื่อให้เกิดพลังถ้าเราทำคนเดียวอาจจะวับวับแวบมบแวบมบไม่อบปุ่นนะไม่อบปุ่นถ้าไม่เก่งจริง ๆ, ๆก็ตั้งต้นไดยยากถ้าตั้งต้นคนเดียวตั้งต้นเลยยากมีแต่พระพุทธเจ้าพงเดียว เ, ท, เ, เยวท่านั้นที่ตั้งต้นเรังนี้ได้พะเราก็ตามได้เลยเว้ยถ้าเรามาตั้งจังกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมามันก็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 แล้วี่มันยังต่อไม่ติดมันยังครึ่งหลงครึ้นรูปอะไรอย่างนีอให้มันติดแล้วมันไปของมันเองอ่ะจีวันจีปีมันก็รูปอยู่ตรงนั้นรูปอันเดียวความรูปวันนี้อรายังยังไม่ชัดเจนเพราะมันถูกแบ่งถูกแยกแต่ความรูปวันครั้งหน้าถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราจนจริงๆน่ะมันจะช่วยเราได้เวลานี้เรายังมีทางออกต่างอๆเช่นเวทนา เวทนามันเกิดขึ้นกับเราเราอาศัยอริบุตรเปลี่ยนมันได้แต่เวทนาขณะที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่มีอริบุตรนะตอนนั้นเราจะเก่งตอนนั้นด้วยอริบุตรเนี่ยทำให้เราไม่เห็นเวทนาชัดเจนไม่ได้มันรู้ทำเวลาใดที่ไม่มีอริบุตรแล้ว ก, กวทุกข์ปวดทุกข์ตอนอยู่กับหมอนกับเสื่อแล้วเราจะอยู่ยังไงตอนนั้นแหละเราจะเก่งเพราะเราฝึกไว้แล้วเดี๋ยวนี้อริบุตรมันบังเวทนา ไม่ทำให้เราเห็นเวทนาชัดเจนไม่ได้ขี้หน้าเวทนาเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตนเราเขาศักวันหนึ่งเราจะต้องพูดคำนี้ออกมาได้กายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตนเราเขาธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตบุคคลตนเราเขาวางปัวปะไปเลยเดินไปอย่างเบาวิวไปเลยไปนะไม่มีอะไรไม่ไมีอะไ ร, ะไรขวางกันเดี๋ยวนี่มันยังขวงหน้าเราอยู่ มีตนอยู่ในกายปวดก็เราล่อนก็เราหนาวก็เราคือกายเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายเสียเวลากับเรื่องของกายหยุดยั้งขัดขวางเรื่องของกายพอเราทำไปทาไปเราจะเห็นว่ากายนี่เป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเป็นสักว่ากายที่มันเกิดเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมาขึ้นมา แล้วก็อาศัยรูปกายเหมือนพว่วงเหมือนแพรพ่วงแพรมันก็ผุก็พังมันก็เน่าถึงคราวที่มันผุมันพังมันเน่าเปะปะรักษาเท่าไรก็ไม่อยุดเราเราก็ขึ้นฝั่งได้เลยเราไม่ต้องไปแบกไปตามเอาไว้ตรงนี้มันเรานั่งบนเรือถึงคราวที่เรือเราพังเราก็ขึ้นฝั่งอาศัยเป็นพ่วงแพเพื่อข้ามฝัง่งข้ามพ้น เวทนาก็เหมือนกันที่มันสุขมันทุกข์ก็คือเราพอเราเห็นไปเห็นไปมันไม่ใช่เราเวทนาสักว่าเวทนามันไม่ใช่จัตบุคุณตนตนเราเขาเราเสียเวลาเพราะเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้พอเราเห็นว่าโอ้เวทนาน่อยบางทีเวทนาบางอย่างต้องขอบคุณขอบคุณเขาเราได้บรรลุธรรมเพราะเวทนาขอบคุณเับ ไม่เอามาเป็นโสกไม่เอามาเป็นทุกมาเอาเอามาเป็นการบรรลุธรรมอ่าอามาเป็นการบรรลุธรรมมาเป็นการช่วยช่วยเขาเล้าเขาไม่มีเวทนาเขาก็ไม่ใช่รูปใช่กายเป็นร้อนเช็นหนาวปวดเมื่อยอย่างไหนีวอย่างเนี้ยหน้าขอบคุณเขาถ้านั่งอยู่านานๆไม่รู้จกปวดต้องก็ไม่ใช่กายไม่ใช่รูปมันไม่ใช่โูก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 ช่วยด้วยช่วยด้วยล้องด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยล้องด้วยความเจ็บปวดอะไรก็หมดเนื้อหมดตัวแต่เ น, นี่เราไม่หมดเนื้อหมดตัวเราเห็นเราเห็นนี่เออเนี่กายนี่เวทนาที่มันเกิดขึ้นเกิดกายเกับใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เห็นไม่ใช่ตัวตนอยู่ตรงนั้นตัวตนอยู่ในสุขในทุกข์ไหมมีมีแต่ปัญญาเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเป็นนามอะไปตัว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 ถ้ามันไม่มีรูปไม่นาำ ม, มันก็ไม่มีความดีความชั่วคนก็ไปสวรรค์นี่ผานไม่ได้ทําดีไม่เป็นแล้วความชั่วไม่เป็นมันมีรูปมีนามมาจึงมาความชั่วมาทําความดีมันมีรูปมีนามจึงช่วยกันเป็นช่วยกันได้ช่วยให้หมดทุกหมดโลกหมดภัยได้เพราะมันไม่รูปม่นม้ำขนส่งกันได้ พูดออกไปสอนออกไปทำออกไปคิดออกไปอาศัยรูปนามมาทำความดีได้เห็นแล้วป่ะนะแต่ถ้ายังไม่เห็นน่รูปนามก็ทำความชั่วเอารูปไปทำชั่วเอานามไปทำชั่วก็เป็นผลกระทบต่อกันและกันนี่ปัญหาจนสร้างตัวบทกฎหมายสร้างคุกสร้างตลรางเพราะคนไม่รู้รูปไม่รู้นามเอารูปไปทำชั่วเอานามไปทำชั่ว นี่พอเราพอรู้จักมันก็โอ้จะใช้รูปนี่ทําแต่ความดีจะใช้นามนี่ทำแต่ความดีอย่างนี้นะนี่ปฏิบัติมันไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นอะไรที่นา่านอกจากตัวเราไม่ใช่นะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เรามีสตินี่แหละแต่น้อยเราเห็นความรู้กับความหลงนี่ตรงนี้หันหน้าหันตามาตรงๆอย่างนี้ มีสายตาก็มองตรงๆปฏิบัติตรงๆปฏิบัติดีคือทําอย่างนี้แหละตรงเข้ามาจังนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้จะไปรูอ้อันเด่นไปเห็นเทวดาอยู่ก้อนเมฆนู่นไม่ใช่เทวดาก็เกิดขึ้นจากที่เรามีสติละอายความชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าทําชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่ต้องอายอยันอื่นอายตัวเองอายความคิดตัวเองอายความหลงอุ้ยความหลงมันสกรปร เอาความโลภไปใส่ล้างออกไปไม่เปิดไม่เพื่อนกับอันใดเลยเธอมีความรู้สึกตัวหมดจดสะอาหมดจดไม่กลาคิดชั่วถ้าไม่คิดชั่วทําไมไม่คิดชั่วเพราะไม่หลงทําไมไม่หลงเพราะรู้สึกตัวทําไมไมีความโลภตัวเพราะได้สร้างความโลภสึกตัวพอเราสร้างความรู้สึกตัวเราก็มีสึกตัวคมหลงก็ไม่เกิดขึ้นใจแล้วก็เป็นเทวดา ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วละอายบาปเทวธรรมมันก็เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในกายในใจเหล่านี่้ในบุญก็ได้ตรงนี้เอากายมาผิดเป็นบุญเอาใจมาผิดเป็นบุญกายก็สุจริตใจก็สุจริตทําแต่ความดีเมื่อมีแต่ความดีทุกคนทําแต่ความดีคนในประเทศไทยหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยเอากายมาทําความดีเอาใจมาทําความดีมันก็สงบปล่มเย็น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 ไปจากชีวิตของเราได้ชีวิตของเรานี่เป็นตัวศาสนาเป็นตัวเผยแผ่ศาสนาไปทำดีให้ลูกให้หลานเห็นไปพูดดีให้ลูกให้ลานได้ยินไปใช้ความคิดความอ่านดีๆอยู่กับลูกกับหลานนักสอนศาสนาคือพ่อคือแม่คือเราทุกคนเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติเราได้ประโยชน์เราได้เกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปบอกทให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็น